พวกอารมณ์อะไรมันก็ติดมาอยู่มาใหม่ๆ ม, มันก็ที่จริงจิตของเรานี่นะไอ้พวกวิบากเนี่ยมันติดมากับจิตโดยเฉพาะเวลามันกระทบอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเองเลยนะ้ชอบใจไม่ชอบใจสบายไม่สบายมันเกิดขึ้นเองไม่ใช่เราเลยนะจริงๆมันเป็นวิบากเขาเรียกวิบากกับจิตเราไม่ต้องไปยึดว่าเป็นเราหรอกพวกนี้เกิดดับทั้งนั้นเลยอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ย แล้วก็มันมันเกิดขึ้นจนมันเป็นเรื่องของความเคยชินในจิตเลยกระทบอารมณ์ปับ๊บจิตปรุงปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไปทางไหนบางทางอยากก็มีทางพยาบาทก็มีทางคิดจะเบียดเบียนทำร้ายทำลายกันก็มีเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่ในจิตของเราทั้งนั้นเลยอ่ะปูุแต่งบางทีวนๆไปเวียนมาแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ย เข้าไปยึดว่ามันเป็นเราเนี่ยเป็นหลงเลยเนี่ยเป็นหลงแล้วเนี่ยสร้างตัวตนขึ้นมาทีหลังนะอย่างจริงว่าความหลงผิดนี่แหละที่มันสร้างปัญหาให้กับเราสร้างเรื่องสร้างรา่าให้กับเราเนี่ยทีนี้เวลามาปฏิบัติเนื่องจากพวกเนี้ยมันฝังลึกอยู่ในจิตใจจะมาจะมาอาศัยความเพียรเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้ มันต้องเป็นความเพียรที่มันบากบัน่นความบากบัน่นความมุ่งมั่นความแก้วกล้าความอาถานโอ้มันมันรวมกำลังของการพร้อมที่จะต่อสู้เข้ามาในจิตอะไม่ยอ่อท้อเวลาเจออุปสรรคนี่ถ้าคนไหนที่มีความมุ่งมั่นนะมองเห็นเป็นเครื่องมือฝึกจิตจุกฝึกใจไปเลย เป็นหินรับสติปัญญาไปเลยมันก็ยิมขึ้นมาเลยนะโอ้โหเนี่ยมาเองละดีละดีละเนี่ยจะได้มีสิ่งที่มาท้าทายสติปัญญาของเราท้าทายกำลังจิตของเราท้าทายความอดทนของเราให้มันรู้ว่าเราเนี่ยมันมีความจริงจังแค่ไหนมีความมุ่งมั่นแค่ไหนไอ้ความศรัทธาของเราเนี่ยมันเต็มร้อยเปอร์เซ็น์ไหมมันก็ต้องมีเครื่องทดสอบ ถ้าว่าเป็นอย่างนี้แสดงว่าความเพียรมันเต็มร้อยอืมีความหมู่หมัดมีความบากบัน่นมีความอาถรรพ์มีความแก่กล้าไม่ย่อท้ออบางทีพุทธเจ้าก็ใช้คําว่าขมักขม็ด ห, หรือมันคือมันจริงจังมากเน อ, อีกของเรามันต้องมีมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นจึงเรียกว่าวิริยะหรือความเพียรจึงเรียกว่าสัมมาวายามะ ความเพียรชอบคือมันเพียรเพื่อจะพ้นทุกข์เพียรที่ยะไม่ให้พวกอกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นคือถ้ามันเพียรถูกต้องเนี่ยพวกอกุศลเนี่ยมันต้องละลายไปมันต้องดับไปมันเกิดขึ้นแล้วจิตก็ต้องวางได้ทิ้งได้คือมันไม่เอามาเป็นของเราไม่ยึดมาเป็นของเราพูดง่ายๆมันไม่ใช่ว่าไปไปทาอะไรมัน มันมันเกิดของมันได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเคยชินภายในจิตเป็นเรื่องของวิบากภายในจิตของเราเองจิตที่สมัยเมื่อก่อนเนี้ยที่เราเวียนไหวใต้เกิดเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนสั่งภพสั่งชาติขึ้นมาเนี่ยโอ้ยมันสะสมมามากมายก่ายกองอะไอ้ที่จะมาอยู่ดีๆหวังให้มันหลุดไปให้หมดไปให้สิ้นไปมันไม่ได้หรือเพียงเล็กๆน้อยๆอยอ มันก็ได้แค่ว่าเออสงบสบายเล็กๆน้อยๆเ น, นี่ยแต่ว่าถ้าจะมาประหารมันมาให้มันหมดจดไปจากจิตใจเนี่ยความเพียร น, นั้นอะ่ะมันต้องเป็นความเพียรที่อาศัยความแกวกราความอาฐานความหมู่มัน่นความบากบัน่นใจสู้เออต้องเป็นนักสู้ด้วยนะ เจออุปสรรคก็ไม่ห่อท้อไม่หนีแต่ยิ่งเงอ้มันเจออุปสรรคเออเราเคยผ่านมาเหมือนกันละอุปสรรคเนี่ยไม่เห็นตายคราวนี้เราก็ยังไม่ตายเหมือนกันลองเอามาเป็นหินรับสติปัญญาดูสิเนี่ยถ้ามันฝึกอย่างนี้นะเวลามีปัญหาไม่ว่าการงานไม่ว่าเรื่องอะไรในชีวิตของเราเนี่ยมันมาทันได้มันมาทันเวลาเลยมันมาช่วยได้ ถ้าไม่ฝึกฝนโอมาอะไรมากระทบอ่อนแอไปปวกเปียกไปแล้วเราก็จะไปโทษน่นโทษนี่ไปอ้างนั่นอ้างนี่ไปเนี่ยที่จริงจิตของเราที่มันอ่อนแอเองมันไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมมันก็เลยขาดความเพียรที่แท้จริงทีนี้เพียรถูกต้องเป็นยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีชันทะสร้างชันทะขึ้นมา พอใจอย่างเราปฏิบัตินี้เราก็มีความพอใจมีฉันทะพอใจที่จะปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วท่านบอกว่าต้องเพียรให้มากขึ้นไม่ใช่เพียรเล็กๆน้อยๆ น, นะหรือเพียรแค่วันสองวันแล้วหยุดไปเพียรบางช่วงบางตอนแล้วก็หยุดไปมีความเพียรมีฉันทาก่อนพอใจที่จะปฏิบัติ ไม่ได้ไปคำนึงถึงว่าผลต้องอย่างนั้นผลต้องอย่างนี้ต้องได้มรรคได้ผลได้ความสงบได้สติปัญญาไม่เกี่ยวแต่พอใจที่จะได้ปฏิบัติเนี่ยมีความหมายอย่างนี้เพียรสร้างเหตุไม่เพียรจะเอาผลเนี่ยเพราเราปรับจิตได้มันก็สบายขึ้นแล้วมันไม่ไปหวังอ่ะมันไม่ใช้ตัณหานําหน้าไม่ไปไปบีบเร่งรีบบีบขั้นตัวเองกดดันตัวเอง ว่ามีความอยากนำะมันมันแสดงออกอย่างหนึ่งนะจิตเนี่ยมุมมองของจิตก็เป็นอย่างหนึ่งการกระทําคําพูดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ถ้ามันวางท่าทีในจิตถูกต้องเอออ่เอพี้ยมสร้างเหตุไปปฏิบัติเรื่อยไปผลเป็ยังไงเราจะสังเกตเอาได้มากได้น้อยมันก็เกิดผลขึ้นอยู่แล้วซึ่งเราได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันได้ปฏิบัติเนี่ย มันก็ได้ผลอยู่แล้วยิ่งผู้เจ้ารับรองด้วยถ้าว่าปฏิบัติถูกทางแล้วอกุศลก็จะไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกกุศลกุศลมันเพิ่มขึ้นจิตเนี่ยมันจะเอียงไปในทางดับทุกเอียงไปสู่พระนิพพานในทางไม่มีทุกมีความพอใจสร้างฉันทะขึ้นมาพอใจได้ปฏิบัติ แล้วให้มีความเพียรท่านพ่อเพียรแล้วก็ต้องเพียรให้มากขึ้นนี่เอาเลยนะที่นี่ความเพียรคือปลุกเล้าจิตของตัวเองได้ให้มันมีความอาถารมีความแก้วกล้ามีความบักบัน่นใจมันสู้ใจไม่ถอยไม่หนีเจอวศักดิ์ก็พร้อมที่จะเผชิญหน้า พร้อมจะแก้ปัญหามองเป็นสิ่งท้าทายมองเป็นเครื่องทดสอบมองเป็นเครื่องมือฝึกสติปัญญาถ้าอย่างนี้นี่ใช้ได้แล้วสแสดงว่าจิตเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วจิตเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ววางท่าทีในจิตถูกต้องแล้วในเรื่องของความเพียรแล้วก็เพียรให้มากขึ้ น, นไม่ใช่เพียรนิ่มๆหน่อยๆแล้วเลิกไปเพียรเป็นพักๆเพียรให้มากขึ้น แล้วก็ให้ยิ่งๆขึ้นไปแล้วภายในจิตเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายที่แน่นอนด้วยเพื่อให้มันมันมันรู้ความจริงอ่ะเพื่อมันคลายวางไม่เพียนจะเอาเลยนะที่นี่มันไม่เกี่ยวเลยนะเพียนนี่เพียนเพื่อจะให้จิตเนี่ยรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงเพียนเพื่อให้จิตเนี่ยมันเห็นความจริงแล้วมันจะคลายวางไม่เพียงจะเอานู่นเอานี่เอานั่นเนี่ยคนละอย่าง กับไกไอ้ผู้ปฏิบัติบางคนหลายหลายคนคือพอพอปฏิบัติแล้วมันอดไม่ได้ที่จะมีความอยากแฝงเข้ามาในจิตไอ้ตัวนี้มันก็เลยสร้างปัญหาให้กับการปฏิบัติมันก็เลยมีนู่นมี น, นี่คอยบีบคัน้นคอยเล่นงานอยู่เสมอเหมือนเรามีสมาธิอยู่ด้วยคือเราเรารู้แล้วไอ้ไอปรากฏการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีเราอะ ถ้าทำความเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่จิตเองอะ่ะมันก็ไม่ใช่เราไอ้ที่มันคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาได้อะ่ะมันเป็นผลผลของกรรมที่เราทำมาหรือเป็นวิบากหรือเป็นความเคยชินของจิตไปหรือมันเป็นขบวนการของจิตไปเลยมันเป็นธรรมชาติของจิตเท่านั้นเองไอ้เรื่องรูปก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเรื่องรูปนี่มันแตกดับสลายไปได้อยู่แล้ว เราก็รู้เข้าใจอยู่แล้วเนี่ยแต่ไอ้เรื่องจิตเนี่ยถึงมันรู้แต่ถ้ามันยังไม่เห็นผมก็วางไม่ได้หรือกายก็เหมือนกันลูกก็เหมือนกันถ้ามันไม่เห็นมันก็ไอ้ความหลงผิดเนี่ยมันก็ยังอยู่ในจิตของเราเหมือนกันจึงเพียนเนี่ยต้องเพียนให้เข้าใจด้วยเพียนเพื่อรู้ความจริงรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็ให้จิตนี่ตั้งมัน่นเนี่ยสุดท้ายจิตต้องก็มาเข้าตั้งมัน่น ตั้งมั่นเป็นสมาสมาธิตอนนี้จิตนี่ต้องมันง่นคงมีความรัดกลุ่มจิตอยู่กับจิตได้แต่ถ้าหาว่าจิตมันยังกําลังมันยังไม่พอเนี่ยอินทรีย์มันยังไม่แข็งแรงมันก็หลวมๆอยู่ในจิตอ่ะก็ชัดชัดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นอ่าก็ถูกแล้วเพราะว่าเหตุปัจจัยมันยังไม่ถึงยังไม่พร้อมมันก็เป็นไปตาม กำลังภายในจิตของเราคือถ้าจิตมันมีกำลังเนี่ยโหสมาธินี่มันมันมันมันเหมือนกับมันเป็นสมาธิอยู่ในตัวเลยนะเขาว่ามีวิริยนำเนี่ยวิริยะเป็นประธานคือความเพียรเนี่ยมันเป็นประธานมันก็เลยทำให้จิตเป็นสมาธิได้เป็นสมาธิที่มีความเพียรเป็นประธานเป็นตัวนำแล้วก็สามารถ ป้องกันไม่ให้อากุศลมันเข้ามาได้หรือมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับได้พวกอกุศลเนี่ยถือพวกกุศลอกุศลก็ตามนะ่ะถ้าจริงมันเข้าไปเห็นความจริงเมื่ อ, อไหรมันไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องเอาเกิดแล้วก็ดับเองทั้งหมดในเวลาเข้าจริงๆมันไม่ไ ม, มีอะไรเป็นเราเลยมันมีแต่ความหลงผิดของเราที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาบางทีเขามาปรึกษาเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเนี่ย ก็เห็นใจเขานะเพราะว่าจิตของเขาเนี่มันมันยังมันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่อ่ะมันก็เลยเหมือนสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญอ่ะมันลึกอ่ะมันลึกก็เลยเห็นใจเขาแต่ถ้าเอาว่าพูดนําธรรมะนี่นะที่มันมันมันมันแจ้งมันชัดแล้วเนี่ยโหทุกคนเป็นไปตามนาดของกรรมของเขาทั้งหมดเลย ที่มาเกี่ยวข้องกันมาเกี่ยวข้องพร้อมนาดของกรรมเท่านั้นแหละเมื่อจากกันไปเนี่ยหมดชาตินี้ไปเขาจะไปเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เราจะเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้นอกจากว่าถ้าหากว่าพ้นทุกข์แล้วก็แน่ใจว่าไม่มาเกิดอีกหรือถ้าเป็นพผ้านาคามีก็แน่ใจว่าต้องไปเกิดเป็นพรมชั้นสุทาวาตเป็นที่อยู่ของพผ้านาคามีที่รอเวลาที่จะบรรลุเป็นพหรหัน แล้วก็หมดการเวียนว่ายตายเกิดนี่เพราะมันเข้าใจอย่างเนี้ยมันเลยไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตไปยึดได้ไปติดไปข้องได้ไม่ว่าจะมาในลักษณะไหนมันก็เห็นเป็นธรรมดาไปหมดเลยทีนี้มันก็เห็นใจนะเข้าใจเพราะว่าเออคนเราเนี่ยในเมื่อเหตุปัจจัยมันยังไม่ถึงจะเอาความจริงไปยัดใส่ยัดใส่มันก็ไม่ซึมซับเข้าไ้ ผู้ดได้ความจริงแต่ว่าจิตของแต่ละคนเนี่ยรับความจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไปสําคัญตรงนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องความเพียรแล้วความเพียรนี่มีหลายชื่อสัมมาวายามะก็ใช่วิริยะก็ใช่ส ม, มปทานสี่ก็ใช่ส ม, มปทาน หมายถึงความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยคือถ้าเพียรถูกต้องแล้วมันต้องป้องกันอากุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันป้องกันได้คือสตินี่แหละมันก็จะมาหาตัวสติเนี่ยคือในองค์มรรคเนี่ยมันจะมีองค์ธรรมที่สําคัญอยู่สามอย่างอันที่หนึ่งนี่คือสัมมาทิฏฐิ คือเพียนเพื่อที่จะปล่อยวางเพียนที่จะให้จิตเห็นความจริงไม่หลงยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีความเพียนนี่แหละเป็นตัวเป็นตัวหลักว่าทำให้จิตเนี่ยมีฉันทะมีความพอใจที่จะปฏิบัติมีความบากบัน่นมีความแก้วกลา้ามีความอาถานไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยเมื่อมีอุปสรรค จิตใจต่อเป็นไฟที่จะต่อสู้ไฟดีไฟสู้เนี่ยเรียกสัมมาวายามะแล้วก็มีตัวสัมมาสติต้องมีสมอย่างนี้เป็นหลักเพราะนั้นความเพียรเนี่ยมันจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติบางทีเราก็ได้ยินความเพียรในรูปของอิทธิบาตสีอิทธิเนี่แปลว่าความสําเร็จหรือปาฏิหารที่จะทําให้เกิดความสําเร็จ ปาทะนี่ก็คือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสําเร็จทั้งมีทั้งสําเร็จในแง่อภิญญาจิตหรือปัญญาญาณที่จะหลุดพ้นไปแต่อิธิบา่จริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดในแง่ของมันเป็นตัวทําให้เกิดสมาธิมีฉันทะมีความพอใจปฏิบัติกําลังของความพอใจก็ทําให้จิตเนี่ยมันเป็นสมาธิได้ เหมือนเด็กเขาพอใจอยากรู้อะไรสักอย่างหรือพอใจวาดรูกอ่ะเขาตั้งใจว่าอยู่คนเดียวหรือทำอะไรสักอย่างใจมันแน่วมุ่งมันพอใจทำอ่ะเนี่ยมันเป็นสมาธิอยู่ในตัวไม่ได้มีความอยากความต้องการอะไรเลยแต่ว่า ม, มีความพอใจที่จะทำเพื่อให้มันได้รับผลตามที่ตัวเองต้องการ แต่ระหว่างที่ทำอยู่จิตมันพอใจไอความพอใจมันนำหน้ามันก็เล่นเนีอยู่กับการกระทำสมาธิบางทีก็อาศัยฉันทะความพอใจอย่างที่เรามาวัดเราพอใจที่จะมาปฏิบัติเต็มใจมาพอใจมาใจมันก็มีความอิ่มเอิบเบิกบานเหมือนกันทำให้ใจสบายมีความสุขเป็นสมาธิได้ง่ายเนี่ยบางทีก็ มีจิตใจที่มุ่งมัน่นใจมันมีความมุ่งมัน่นบากบัตรมองสิ่งต่างๆเป็นเครื่องท้าทายไปเลยอุปรสรรคนี้เป็นแค่สิ่งท้าทายถ้าว่าคนฝึกจิตเนี่ยถ้าจิตมันมีกําลังนะอุปรสรรคนี้แหมมั น, ม, นมันก็ะยิมเลยนะเคยสู้เวทนาเห็นชัดเวลาเวทนามานี่แหมจิตมันก็ะยิมเลย มาแล้วมาแล้วเหมือนกับเครื่องทดสอบมาแล้วมันพูดอย่างนี้เอความรู้สึกอ่ะมันท้าไอ้สิ่งท้าทายมาแล้วอ่ะจะได้ดูความจริงกันสักทีหนึ่งจะได้เห็นไอ้ตัวจิตเนี่ยมันเป็นยังไงกันเนี่ยเที่จริงมันก็เคยเห็นมาแล้วมันถึงรู้อ่ะเอออันเนี้ยมันท้าทายมันเหมือนกับมันได้ฝึกจิตมันได้ต่อสู้มันได้เพียนได้พยายามได้อดทนได้ทุ่มเทกําลังสติปัญญาของตัวเองอ่ะให้มันเห็นความจริง เพื่อมันจะได้ปล่อยวางเพื่อไม่ให้ไปหลงยึดเนี่ยมันเข้าหลักหมดเลยนะคือปฏิบัติถูกอ่ะผลมันเกิดขึ้นเองหมดทีนี้พอเราไปไปเจอหลักธรรมของพุทธเจ้านี่โอ้โหมันไม่สงสัยเลยนะมันอันเดียวกันเลยแต่ตอนที่เราเราเห็นนะเราเห็นอาการของมันไม่ไม่มีคําพูดของตัวเองหรอกแต่รู้ว่าโอ้ยนี่จิตนี่แหมมันเห็นเวทนามาปั๊บมันยิ้มเลยถ้ามันยังไม่มามันก็รอ รอก็ไม่ยอมให้หลับน ะ, ะพยายามให้เป็นสมาธิพยายามให้จิตอยู่พยายามละนิวรณ์ให้ได้เนี่ยพยายามคือเตรียมพร้อมพูดง่ายๆแล้วไปนั่งซึม น, น้าลายยืดอยู่เวทนามาก็ไม่รู้เรื่องแถมยังกึ้งกึออ้งก้นไม่สนเลยเวทนาเพ อ, อ, อย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์บางทีมันก็ไม่เกิดเกิดเราก็ไม่ได้รู้เพราะมันหลับมันไม่ตื่นแต่นี้เตรียมพร้อมเลย ไม่ได้วิธีไหนทําให้จิตเอาหมดเออทองควาติโมกก็เอาเพให้มันจิตมันตื่นเนี่ยพริรญาธรรมก็เอาเอท่องมนก็เอาเอ<ะ>หมดไหนที่มันมีทําให้จิตมีกําลังเอาหมดเตรียมพร้อมเลยเนี่ยบางทีก็แผ่เมตตา<ะ>สวดมน<ะ>แผ่เมตตากาเรนิ亚马ทากุเซนาสั้นตั้งสั้นดงังปว่ดังอภิสเมตจะเอาท่องไปแต่ให้จิตมันอยู่เออ บางทีก็ปาตีโมกบางทีนั่งนี่มันจะหลับยืนไม่ไปไม่ไปไหนคือยังไงยังไงก็ตามอ่ะจะสู้พูยยังไงพอมันหายง่วงหายซึมแล้วนั่งต่อรอเวลาอีกเวทนามาปั๊บเนี่ยตัวง่วงมันจะหายรู้มาแล้วมาแล้ ว, ลวพอใจเอีเจ็บปวดก็ยอมทนเพราะตอ น, นั้นจิตมันก็พอรู้แล้วไอ้ว่าไอเวทนาเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่จิตแน่นอนไม่ใช่ของเราหรอกเนี่ย เราไม่ยึดมันสะอย่างองค์มุขมันก็เข้าใจไปจิตมันคลายวางออกไปเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้ามันบอกว่ามีความเพียรเนี่ยเพื่อปบำรองจิตให้ตั้งมั่นเพื่อให้รู้รู้ทำตามความเป็นจริงเพื่อให้จิตตั้งมั่นเพื่อให้จิตนี้ปล่อยวางไม่จิตไปหลงยึดไอสิ่งที่มันเกิดเองดับเองเนี่ยไม่ไปยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราที่มันทุกข์เนี่ยก็เพราะมันหลงว่าเป็นเราเป็นของเรามันมันมีเรา มันก็มีอุปทานขึ้นมาเอานู่นเอานีมันก็เป็นตัณหาขึ้นมาเนี่ยมันมาจากจิตเรานี่แหละเราก็เลยต้องให้มันเห็นความจริงกันทีนี้อยากให้มันเห็นความจริงครับความเพียรไม่ถึงกันค่ะเพียร น, นิดนิดหน่อยหน่อยเอ้าพอแล้วนิดนิดหน่อยหน่อยพอแล้วอยู่เงี้ยมันก็เลยไม่ก้าวหน้าบางทีก็อยากพ้นทุกข์เห็นทุกข์มาโอ๊้ยเมื่อไหร่มันจะพ้นสตินะเบื่อหน่ายจริงๆเลย ไม่อยากเกิดอีกแล้วไม่อยากเกิดอีกแล้วแต่ความเพียรไม่ถึงเหตุมันไม่ถึงอยากขนาดไหนมันก็ไม่พ้นเพราะนั้นสำคัญบางทีความเพียรสร้างเหตุให้มันถึงถ้าเหตุมันถึงแล้วผลมันเกิดขึ้นพระเจ้ารับรองเอาไว้ถ้าเพียรถูกต้องแล้วจะต้องจิตนี้จะต้องเอียงไปสู่ปนิพพานโอนไปสู่นิพพานเอนไปสู่นิพพานเอียงไปสู่วนิพพานเทไปสู่นิพพานเนี่ย เปียกสกัดใส่น้ำก็เหมือนกับลาบไปสู่พะทธานเทไปสู่วนิพานไหลไปสู่วนิพานอย่างนั้นเลยเพราะนั้นจึงว่าไม่ต้องอยากเพียรให้ถูกต้องพอใจสร้างเหตุเรื่อยไปแต่จิตใจเนี่ยต้องไม่ทอ้อถอยมีความบักบันมีความมุงมันมีความเน่วเนี้ยมีความอดทนมีจิตใจเป็นนักสู้ นี่คนไม่อยากมาเกิดอีกมันต้องอย่างนี้นะเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยขนาดพระชาติสุดท้ายเนี่ยเพียตอนที่ยังไม่รู้ทางก็ลองผิดลองถูกนี่เอาจริงเอาจังสละชีวิตเลยเนี่ยตลอดเวลานี่ไม่เคยไปสนใจอย่างอื่นเลยมุ่งอยู่อย่างเดียวต้องตัดสรู้เพื่อความไม่มีทุกข์เท่านั้นเนี่ยดูซิพระพุทธเจ้าแน่ๆอย่ขนาดไหน มันก็มาเปรียบเทียบกับเราเลยแล้วแม้กระทั่งบรรลังสุดท้ายะ ว, วันที่จะตัดสรู้นั่งลงไปเลยแม้เนืเ้อเลือดเจือเอินแห้งเหลือแต่หนังเอ็นหุ้มกระดูกก็ตามถ้าเราไม่บรรลุธรรมด้วยกําลังของลูกผู้ชายอย่างเราเราจะไม่ลุกจากบรรลังนี่คือความเด็ดเดี่ยวความอาหารความกล้าหานไปในจิตความแกวกลราความท้อถอยไม่มีเลยนิดนึงก็ไม่มี สละหมดเลยหว่าฉันทวิริยะก็เป็นช่องทางที่ทำให้เกิดความสำเร็จในแง่ของการปฏิบตัติแต่คนก็เอามาที่บายว่าเออทำอะไรก็ตามนะแตมีฉันทามีวิริยะกิตตะเอาใจใส่หรือใจมันพิจารณาเพื่อแก้ไขอ่ะพิจารณาธรรมะไปแง่มองในมุมนั้นมุมนี้ พอจิตมีกำลังขึ้นมาได้ผลขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราเอาจิตใจจดจอ่อเอาจิตพิจารณาเพียธรรมะแง่แง่มุมที่มันทำให้จิตใจของเราเป็นสมาธิบางทีอนึกถึงพระพุทธเจ้าความที่ท่านเสียสละสิ่งไหนถูกต้องดีงาม สอนสาวกให้ทำกันนะสิ่งไหนไม่ถูกต้องเด็ดขาดเลยไม่ให้ทำเนี่ยแล้วออกมาจากวระไทยด้วยนะไม่ใช่เหมือนพวกเรากันนะคือว่าถ้าไม่ดีไม่ทำเลยเพราะถ้าทำแล้วเนี่ยมันทำให้จิตเศร้าหมองทำให้จิตหวันไหวทำให้จิตฟุ้งซ่านจิตไม่สงบเนี่ยเช่นไปเบียดเบียนคนอื่นไปทาร้ายทาลายคนอื่นเนี่ยให้ทำความดี เ, ออเราทําความดีใจมีปีติปาโมท์เนี่ยเหมือนนักเรียนมาอยู่วัดเนี่ยโอได้ทําความดีนี่ใจมันปีตินะมันเบิกบานเนี่ยทํานู่นทํานี่เหนื่อยร่างกายแต่จิตใจเนี่ยมันมั น, ม, น, ม, นมันเบิกบานมันอิ่มเ อ, อิบภายในจิตใจใจก็สงบง่ายมีความสุขใจก็อยู่กับตัวเองได้เนี่ยนี่มันก็ก เกิดจากการทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันอยกถึงความดีก็เข้ามาหาจิตเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานทำให้เกิดปัญญาเกิดปัญญายานนะวิมังสาก็เอาใจใส่ใข่ควรพิจารณาทำความเข้าใจให้จิตมันเป็นสมาธิอย่างเป็นเรื่องของสมาธิ ส่วนสีนนเป็นพื้นฐานการไม่เบียดเบียนกันไม่ทําร้ายทําลายกันตรงข้ามมีเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้อกันเนี่ยเป็นความดีขึ้นมามันก็ทําให้เราเนี่ยเบิกบานใจใจเป็นปกติไงไม่มาลงโทษตัวเองไม่มาตําหนิตัวเองจิตก็เป็นสมาธิง่ายยิ่งเรามีความเพียรมีความบากบัน่นไม่ท้อถอยไม่แก้วกล้า อาถานหาช่องทางที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดนี่มันก็ทําให้จิตใจเป็นสมาธิตั้งมันขึ้นมาตั้งมันแล้วปัญญายาณ <c oughs> มันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ทีนี้มันจะรู้ง่ายทีนี้เนี่ยมันต้องมีความพร้อมในจิตนะการที่มันจะเกิดปัญญาาขึ้นมาเนี่ยบางทีความเพียรท่านก็อธิบาย ความเป็นสัมมปทานสี่หรือสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรชอบก็คือเพียรเพื่อให้้นทุกข์สร้างฉันทะปลุกเร้าความเพียรให้มีใจมีความเพียรมีความแก่กล้าอานานหรือเลิ่งบันเทิงพอใจปฏิบัติมุ่งมั่นแน่วแน่ไม่กลัวอุปสรรคแล้วก็เพียรให้มากขึ้น เพียรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพียรสำรวมระวงังเพียรมีสติแล้วก็มีความรู้สึกอยากอยากให้จิตมันเห็นความจริงเนี่ยเนี่ยมันจะมีสมาธิที่แฝงอยู่ด้วยอยากให้จิตเนี่ยมันรู้ความจริงคือความจริงเนี่ยมันมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราทุกสรรพสิ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้น เพราะนั้นสมาธิที่เนี่ยมันจึงแฝงอยู่ในการปฏิบัติตลอดเพราะฉะนั้นในในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีสมมาทิที่นี่เป็นตัวนําความเห็นที่ถูกต้องในนําหน้ามันจะทําให้จิตเนี่ยมันมีมันมันมีความเห็นถูกต้องการปฏิบัติก็ไม่หลงทางเพราะปฏิบัตินี้มันไมนเปลี่ยนไปเพื่อความมีตัวตน ไม่ใช่อยากได้นั่นได้นี่อยากรู้นั่นรู้นี่ไม่ใช่สร้างตัวตนขึ้นมาถ้าว่าปฏิบัติไปมีตัวตนเกิดขึ้นอกุสนมันมากขึ้นตัวตนมันมากขึ้นพิษทางทังทนทีเลยไม่ใช่ความเพียรถูกต้องเกิดความเสียหายมาต่อการปฏิบตัติบางทีก็ไม่รู้ตัวโดนกิเลสมันหลอกใหเ้เล่เหลี่ยมของกิเลส มันแพ้วพปล่ามากเนี่ยรู้ไม่ดันมันเเสียท่ามันเพราะฉะนั้น้าปฏิบัติถูกต้องต้องเป็นไปเพื่อที่จะให้จิตในรู้ความจริงไม่ยึดมั่นถือมัน่นแล้วก็ปล่อยวางได้นั่นก็คืออกุศลต้องเบาลงไปอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เข้ามาเนี่ยมันจะไปกั้นไว้ไม่ให้เข้าม า, ม ก, ม า, ม า, ากุศลที่อกุศลที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับไป กุศลก็จะค่อยๆเกิดขึ้นกุศลก็คือการเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงนี่แหละคือกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สูงที่สุดเลยเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงๆมันก็ไม่มีอะไรจริงๆถ้าหาว่าทำความเข้าใจนะหรือคนที่เห็นเนี่ยอย่างหูได้ยินเสียงอย่างนี้มีหูแล้วก็มีเสียงแล้วมีจิตโสตวิญญาณรับรู้เนี่ย ถ้ามีเสียงแต่หูมันใช้การไม่ได้ไม่ได้ยินมันต้องพร้อมเลยมีหูคือระบบประสาทในหูว่ามันทำงานได้ปกติเสียงเกิดขึ้นโสตวิญญาณทำหน้าที่ได้ยินไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราถึงเราเป็นเราอยู่เนี่ยถ้าหูเรามันไม่ดีอะหูเราน่วง เราก็ไม่ได้ยินเพราะเหตุปัจจัยมันไม่มีนี่เดี๋ยวบอกระแสกระแสของธรรมชาติมันเป็นอย่างเนี้ยจะเป็นเราขนาดไหนมันก็ไม่ไม่ได้ยินหรอกเพราะนั้นการได้ยินไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นเรื่องของระบบธรรมชาติหูเป็นปกติมีเสียงเข้ามาโสตะวิญญาณเกิดขึ้นเวลามันกระทบกันน่ะผมก็รับรู้ขึ้นมา อำนาจของวิญญาณสัญญาสังขารมันก็เข้าใจความหมายมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีตัวเรานอกจากความหลงของเราเองเนี่ยถ้าท้องทำความเข้าใจไปแหมมันไม่มีอะไรเป็นเราได้เลยนะมันก็เหลือแต่ความหลงผิดของเราเท่านั้นแ่ละจริงว่ามันต้องมีสัมมาทิฏฐิอยู่ในการปฏิบัติของเราด้วยเพื่อมันรู้ความจริง เพื่อให้ปล่อยวางตามความเป็นจริงจริงๆมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราพัมีสัมมาวยามะมีสมาธิฏิแล้วก็สัมมาสติเนี่ยสตินี่มันจะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเป็นสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะมีกําลังเต็มที่เป็นสติสัมโพชฌงค์ควบคุมจิตอยู่กับจิตจิตอยู่กับจิตเนี่ยจิตไม่ส่งกระแสไปไหนฮะอะไรเกิดขึ้นรู้ชัดเลยดีนี่ เนี่ยเป็นญาณแล้วทีนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นแค่ข้างในจิตนี่แหละแต่เข้าใจไปหมดเลยย่อมดับไปเป็นธรรมดาเลยทุกสรรพสิ่งเลยทีนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาโหจิตจะไปหลงยึดได้ยังไงนี่ละมันก็วางได้วางได้ครั้งที่หนึ่งปาระหนกิเลสได้เด็ดขาดนะพระสวดาบบุคคลดูสี่การปฏิบัติเนี่ย ปฏิบัติอีกแบบเดิมนี่แหละแต่มันก็ดูกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละดูรู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่แหละคือหนูว่าภายในจิตเนี่ยมันละอารมณ์ได้มากน้อยแค่ไหนมันก็จะเหลืออารมณ์ที่มันยังยึดยังติดยังข้องกันแหละพีนาเข้าไปอีกเนี่ย <Yeah. S 2> ปรารานกิเลสด้ครั้งที่สองพัสสกีทาคามี <Yeah. S 2> พีนารูปลดกิ่นเสียงสัมผัสส่วนใหญ่เอามาบำรุงบำรุร่างกายพอใจที่จะ ให้ร่างกายมีความสุขความสบายแล้วจิตเนี่ยมันก็พอใจเนี่ยมันก็วันหลงร่างกายยึดร่างกายว่ามาทําให้ตัวเองมีความสุขตาไปเห็นหนุ่นเห็นนี่เข้าหาใจทําให้ใจมีความสุขอะใจมันก็พอใจมันยึดอยู่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจยึดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยึดเวทนาทางกายมาทําให้จิตเนี่ยมีความสุขความสบายมันยึดมันติดมันคล้องอยู่่ะ ช, ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นที่นี่สุดท้ายเข้ามาเอ้ยร่างกายนี่มันก็เกิดดับเหมือนกันเอออเามาเพื่อบํารุงบําเรอมันก็แค่อาศัยอยู่ไม่ได้จะมาบํารุงบำเรมันอีกต่อไปไม่ได้อีกแล้วเอาแค่ให้มันพออยู่ได้เนี่ยมันก็ประหารดิที่ น, น, น, นี่มันเห็นประโยชน์เนี่ยมันเห็นประโยชน์มันก็ไม่ยึดไม่ติดไม่ข้องมัน แล้วพอจิตมันมันวางได้อย่างนี้นะความสุขที่มันเกิดจากไอ้ความสงบที่มันปล่อยวางได้โอ้โหมันมันละเอียดกว่ากันที่นี่มันมีความสุขมากกว่ากันไอเวทนาทางกายที่มันทําให้เกิดความสุขีกลายเป็นความทุกข์ไปเลยโอ้ยมาอีกแล้วบีบคั้นอีกแล้วกูต้องไปทําตามมันอีกแล้วเหรือเนี่ยฮะไม่ได้ไม่ได้กูไม่เอาเวทนาทางกายก็เป็นศักดิแปลว่าเวทนาเราไม่ยึดมันไม่ทําตามมัน อยู่เหนือมันโอ้โหละเอียดกว่ากันเยอะที่นี่โอ้โหเป็นอิสระเลยโอหนี่เหรอมันสร้างโลกทั้งโลก อ, ะอ่ะเออชาวโลกหลงติดกันสัตว์โลกทั้งหลายมันติดกันเนี่ยเป็นอย่างนี้เหรอโหเวทนาแบบนี้เหรอเห็นหมดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปตำหนิคนนั้นคนนี้ว่ายังติดยังข้องยังลุ่มยังหลงนะโอ้ธรรมดาเขายังไม่รู้เอถ้ารู้เมื่อไหร่ก็จะเหมือนกันนี่แหละเนี่ถ้ารู้เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่เหมือนกันหมดไม่มีแตกต่างกัน ที่ยังไม่รู้ก็ต้องยึดต้องติดต้องคล้องไปอย่างนั้นแหละเนี่ยแล้วทุกคนก็ลึกๆก็อยากรู้เหมือนกันเพราะมันไม่อยากเป็นธาตุอารมณ์พวกนี้แต่มันยังไม่รู้มันยังไม่ได้ปฏิบัติไม่ยังไม่ไศึกษายังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่ได้ฟังธรรมของพรหริยเจ้าความหลงมันก็ยังเต็มร้อยอยู่สัมมาทิฏฐิก็ยังไม่เกิดขึ้นนี่ก็ต้องรอเวลารอเวลาไปมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นปฏิบัติไปเห็น โทษเห็นภัยเห็นประโยชน์จากกันปล่อยว่าคายวางได้จิตมีความสุขที่ละเอียดกว่าประเสริฐกว่าสูงส่งกว่าโอ้โหยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วที่นี่จิตจะไปถอยได้ยังไงอ่ะเนี่ยถ้าอยากพ้นทุกมันต้องอย่างนี้สิมันต้องให้เข้าไปเห็นความจริงอ่ะไอเวทนาก็เวทนาทางกายอ่ะร่างกายก็แค่อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นน่ะเวทนาเกิดขึ้นกับร่างกายก็มันอยู่ที่ร่างกายสิไอจิตจะไปรุ่มไปหลงได้ยังไง ก็มันอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นน่ะมันจะมาลักษณะง่าางมีรสอร่อยเลิศเลอขนาดไหนจิตเคยลุ่มหลงมันก็ว่ามีรสอร่อยแต่พอไปเห็นแล้วเนี่ยโอ้มันบีบคันมันทำให้ร่างกายมันตึงเครียดมันลุ่มร้อนมันแผดเผามันเผาลนมันเดือดพล่านใจสัดสายดิ้นลนกัดแกง ไม่มีความสุขเลยให้คนที่ยังหลงอยู่เนี่ยมันไม่เห็นตรงนี้มันก็โอ้ยยังพอใจทนไม่ไหวอ่ะมันก็ต้องไปแก่เวทนาแก่ความบีบคั้นแก่ความทุกข์ไปพังๆไปก่อนเนี่ยเนี่ยมันก็ทําไปตามกระแสของกิเลสกระแสของโลกไปแต่คนที่เห็นแล้วจะไปทําทําไม่ได้ไม่ไปทําทําไมใจที่มันมันอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้มันมีความสุขมากกว่าการประเสริฐกว่ากันแล้ว สิ่งนั้นไม่สามารถบีบคันให้เป็นให้เป็นทุกข์ได้ไอการปล่อยวางมันได้กลับเป็นสุขบรุมมสุขนี่มันจึงอยู่เหนือกว่ากันมากถ้าหาว่าไม่เห็นไม่เห็นตรงนี้มันก็ยังสลาดออกไม่ได้มันต้องเห็นไปตามลำดับตามลำดับเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจิตเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแจ้งชัดแล้วไม่เอาแลวโว้โยมันก็แค่เวทนาในจิตเนี่ย ที่ว่าสุกน่ยโม้โหยนิดเดียวมันก็ไม่ใช่สุกจริงด้วยอไปหลงไปทําตามมันเนี่ยสร้างทุกข์สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนโดยเฉพาะสร้างวัฏสงสารเป็นาธาตุของมันแล้วเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับมันนี่แล้วแล้วเราโอ้โหไอตรงนี้หนักกว่าเพื่อนทุกไม่มีวันจบสิ้นเนี่ยไม่มีทางออกเลย นี่ทุกในวัฏฏะสงสารไย่างเงียมันก็ไม่อยากเอาสินี่ถ้าาว่าทำยังไม่ถึงมันก็ยังลาไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัตินี่ถ้ามันได้เห็นแล้วมันเห็นความสุขที่เหนือกว่าแล้วเนี่ยมันไม่ถอยเหมือนกันยังไงยังไงก็เอาให้ผ่านถ้ามันมาเมื่อไหร่ก็ท้าทายทันทีเลยเออมมาแล้วดีจะได้พี่นากันให้มันจริงจังเอาบางทียอมตามมันก็ได้แต่ว่าภายในจิตเราทางานได้ นี่เอามันมาเป็นหินรับสติปัญญาเลยจริงๆว่ามันประเสริฐจริงๆนะผู้ที่ได้เข้ามาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาฟังธรรมของพารียาเจ้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐไม่มีอะไรเทียบเลยชาวโลกเขาไม่รู้เรารู้เขาไม่เข้าใจเราเข้าใจสิ่งที่เขาไม่มีเรามีขึ้นมามีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆ สิ่งนี้เขาละไม่ได้เราละได้สิ่งที่เขาประหารไม่ได้เราประหารได้สิ่งที่เขาไม่พ้นเราพ้นไปได้ค่อยๆพ้นไปเรื่อยๆได้สุดท้ายไม่ต้องหลุดพ้นจนได้อย่างน้อยทางของเราถูกต้องแล้วแน่ใจแล้วพระเจ้าก็รับรองไว้้ามันถูกต้องความเพียรเราถูกต้องแล้วมันต้องไปสู่พระนิพพานแน่ๆนะไม่สงสัยอีกต่อไปแล้วข้าว่าในจิตของเรานี่ยนะมันมีสัมมาทิฏอยู่ มันปฏิบัติไปแล้วก็เนี่ยหละมีแนวโน้มว่าเราเนี่ยไม่อยากยึดมั่นถือมั่นอะไรเกิดขึ้นก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเยองน้อยมีความเข้าใจก่อนว่าโอ้มันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงจิตเราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นจริงๆไม่มีเราไม่มีของเราอย่างนี้มีสัมมาทิฏฐินำหน้าแล้วมีความเพียรมีความพอใจที่จะปฏิบัติ ไม่พอใจเพื่อเอาผลดีไม่ดีไม่สนใจแต่เราจะปฏิบัติเรื่อยไปมีอุปสรรคก็ไม่ยอ่อท้อเนี่ยไม่เอาอย่างอื่นมาอ้างไม่เอาอนนุนันนี้มาบังหน้าอ้างเพื่อให้เราลดหย่อนความเพียรไม่เอาเอามันเป็นความสามารถของเราอยู่ในธาตุไหนอยู่ในยีบทไหนทํากิจกรรมอะไรอยู่ความมุ่งมั่นภายในจิตมันยังอยู่เป้าหมายภายในจิตมันยังชัดอยู่ ไม่มีการโกหกตัวเองไม่มีการหลอกตัวเองมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงโอ้ถ้าอย่างนี้นั่นแหละจิตมันไปมันมีมันมีเป้าหมายแน่นอนแล้วตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแน่นอนเลยอันเดียวกันเลยขนาดพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสรู้เป้าหมายของพระองค์ก็อยู่ตรงนี้แล้วแน่วแน่มุ่งมั่นเด็ดเดียวอาถานยังไงต้องพยายามเอาให้ถึงตายเป็นตายเลยเราก็ต้องแบบเดียวกัน สัมมาวายมะหรือความเพียรชอบมันเข้ามาแล้วสัมมาสติที่นี่จเจริญสติเรื่อยไปมีสติมีสัมปะชัญญะคอยละแวดระวังเอาไว้เนี่ยประคองจิตให้ตั้งมั่นเพื่อมารู้ความจริงสติมัญจะปิดกั้นเอาไว้อกุศลเข้ามาไม่ได้อกุศลเกิดขึ้นแล้วมันต้องดับในเมื่อเราเป็นผู้ดูเราไม่ไปยุติว่าเป็นเราเป็นของเราเกิดเองต้องดับเองเห็นนี่ยนี่คือกุศล นี่คือทางไปวันิพานแล้วถ้าหาว่ามันมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นประหารกิเลสได้ไปสู่วนิพานได้เนี่ยกุศลที่แท้จริงก็คือประหารกิเลสได้สูงสุดก็คือถึงปันิพานโอมารวมใิ้นี้หมดเลยนะมันก็บริบูรณ์สมบูรณ์ในจิตของเราเนี่ยนี่การปฏิบัติธรรมของเราสมบูรณ์การมาวัดเกดิดบริบูรณ์สมบูรณ์คุ้มค่ากับการมาแล้วทรงกับเราเสียสละมาเราอดทนมา เมืออยากลําบากไม่ท้อถอยเนี่ยไม่อาลัยเสียสะละทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่ของเราล่ะเราไปเปรียบเทียบคนอื่นไม่ได้ความพอดีของเรามันมีความบริบูรณ์สมบูรณ์ของเรามันมีอยู่เนี่ยความพอดีของเรามมีอยู่ทีนี้จิตมันก็ต้องยอมรับสิยอมรับในเมื่อเหตุผลมันเต็มที่แล้ว มนันก็เข้ามาไม่ได้จิตติดกำลังในเต็มร้อยเลยไม่มีช่องให้ตำหนีตัวเองได้ต่อไปใครจะมาตำหนีก็ไม่สนเพราะเต็มที่ของเราแล้วเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่ผลของการปฏิบัติ สังสติดีๆนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวให้รู้ตัวว่าตอนนี้จิตเราอยู่ยังไงนะมันทำอะไรมันดูอะไรมันยอมรับไหมหัวร่างกายอะ่ะมันเป็นดินน้ำลมไฟปฐวีอโปวาโยเตยโช รู้วาโย ο, คือเป็นสักเทวธาตุในตัวเราก็มีธาตุลมมันไม่มีไม่ใช่เรานี่ก็แสดงว่ามีปัญญาสักเทวธาตุลมรู้ในจิตเห็นในจิตแจ้งในจิตชัดในจิตจิตคลายวางจิตปล่อยวางก็คือวางลมวางกายวางรูปวางกายรูปมันประกอบขึ้นมาเป็นกายมันก็ไม่เป็นเราสีทีนี้ความเป็นเราก็จางคายไป เวทนาขึ้นมาอยู่ที่ร่างกายมันมันอยู่นอกจิตไม่ใช่จิตไม่ใช่เราเหตุปัจจัยมันมีมันก็เกิดขึ้นของมันเกิดตามธรรมชาติของมันมันค่อยมันแรงเรื่องของมันจิตเราไม่ไปยุ่งจิตเราไม่ไปเกาะไม่ไปเกี่ยวไม่เอาเข้ามาเป็นเราก็วางเวทนาได้จิตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยฝุงซาลูฟุงซาลำการลูลำการดีใจ รู้ดีใจเสียใจรู้เสียใ จ, ส, ยใจสักวจิตเนี่ยมันจะปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเป็นอาการของจิตความเคยชินของจิตวิบากของจิตไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่เอาอีกเนี่ยมันเข้าหาจิตละเอียดเข้าไปที่นี่ละเอียดเข้าไปตามกันละเอียดเข้าไปอีกอเอาสิจออกันเข้าไปมันยึกยกักยึกยกักอาการของจิต ม, มันเคลื่อนไหวไปยังไงอาการของจิต เ yeah. นี่ยมีอะไรเกิดขึ้นจิตมีปฏิริยาพิราณการของจิตผมไม่เอาซีที่นี่มันมันมันเป็นสักของจิตแล้วไม่ใช่เราแล้วเราเป็นผู้ดูอยู่เราเห็นอยู่เรารู้อยู่โอนี่ปัญญายาณเกิดอะ้ร น, นี่ละเอียดเข้าไปเรื่อยเวลาไหนที่มันวางได้ตามกําลังของจิตเป็นผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นเป็นภาลจิตก็เรียกผลของจิตจิตที่ปฏิบตัติผลของการปฏิบัติ มันก็อยู่ในจิตมันก็ได้รับความสงบความลึกซึ้งตามภูมิของจิตภูมิของจิตใครปฏิบัติได้ผลมากจิตก็มีความสุขความสงบความสบายมากการปล่อยวางมากจิตก็เป็นอิสระได้มากความสุขก็ปณีตละเอียดอ่อนเข้าไปเรื่อยอมันจะมาเทียบกับความสุขข้างนอกโอ้มันเทียบกันไม่ได้แล้ว เนี่ยจิตที่มันได้เห็นอาการที่จิตมันปล่อยวางเป็นอิสระได้เนี่ยมันลึกซึ้งอยู่ข้างในนู้นพราะนะไอไอความสุขเล็กๆน้อยทางโลกโอ้ไม่มีความหมายเลยอะมาเที่ยวความสุขที่ละเอียดที่ผลจากการปฏิบัติผลจากการที่จิตเป็นอิสระขึ้นมามันคนละเรื่องกันเลยอะคือมันเกิดความเข้าใจไม่ใช่ว่า ป, ปฏิเสธวัตถุนะ มันว่าได้มาเดนที่จะไปหลงติดยึดติดข้องมันไม่ใช่เอามาทำประโยชน์เพื่อให้จิตมันเนี่ยรู้ความจริงมากขึ้นสูงขึ้นประเสริฐขึ้นคลายวางได้มากขึ้นดับทุกภายในจิตใจพ้นจากการเวียนว่ายเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารสัทีนึงหมดเรื่องหมดเล่าุณนเข้าไปตรงนั้นเลยนะคนทั่วไปอยากจะเกิดอนนี้มันไม่อยากเกิด พอเกิดเมื่อไหร่ต้องมีทุกข์ต้องมีปัญหาซ้ําๆำซากซาอยู่ในจิตนี่พอเวลาไหนที่จิตมันเหมือนกับมันวางได้บ้างหมดจ ด, ดได้บ้างถึงยังไม่ถึงโอ้โหมันประเสริฐที่สุดเลยนั่นเทียบเคียงได้อนุมาณได้โอ้โหถ้าหาว่ามันเป็นอิสระได้จริงเนี่ยแม่มันมีอะไรเทียบแน่เลยจิตมันจะไปอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต่อไปยังไงต้องพยายามเต็มกําลัง สติปัญญาความสามารถใครเป็นยังไงก็เป็นที่นี่อุปสรรคเหรอเอามาเป็นเครื่องมือฝึกกิตให้หมดที่นี่โอ้มันก็ไม่กลัวอะไรสิที่นี่ที่มันจะใช้ทมนำหน้าเลยนะมันใช้กิเลสนำหน้ามันใช้ธรรมถ้าไหนมันเป็นธรรมถูกธรรมเป็นทางที่หลุดพ้นมันเอาตรงนั้นกายเป็นว่าชีวิตเนี่ยมีเป้าหมายแน่ชัดเด่นชัดเลยต้องพ้นทุกเท่านั้น ทำอะไรก็ตามต้องไม่ขัดขวางต่อความพ้นทุกข์ภายในจิตนี่มันจึงเลือกทางได้ถูกต้องการดำเนินชีวิตก็ต้องเป็นไปเพื่อเป้าหมายตรงนี้แน่นอนทำมากทาน้อยก็าตามแต่มันต้องเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ภายในจิตนี่คือมันมันมันถูกต้องหมดเลยสัมมาทิฏฐิมันไม่มีอะไรมาหลอกเราให้ลุ่มให้หลงให้ติด ให้ข้องอีกต่อไปทิงเราก็เทียบเคียงกับทุกการกระทำของเราได้การดำเนินชีวิตของเราเราต้องเอาทางของพระเจ้ามาเปรียบเทียบไม่งั้นเราไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะเราเหมือนมีอะไรมาฉุดมาลากมาดึงมาล่อมาหลอ ก, มา ล, อกมาลวงม า, มาต้มมาตุ่นให้เราหลงทางอยู่ตลอดพอเรามีหลักของพระเจ้าแน่นแฟนอะไรมาฉุดมาลากมาดึงเรา ไม่หวันไหวใจแน่วแน่มั่นคงพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่พระไตยสาธบริสุทธิ์หมดจดแล้วตัดสรุด้วยพระ อ, องค์เองด้วยสัพพัญยุตายานบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนนคราวนี้ลูกพระพุทธเจ้าเต็หมหัวใจที่นี่สาวกของพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วอริยะสาวกอือ พร้อมจะเดินตามทางพระพุทธเจ้าเลยจิตใจมังองอาจกล้าหันขึ้นมาแล้วต้องไม่ถอยหลังเด็ดขาดเลยเดินหน้าอย่างเดียวใครจะว่ายัางไงว่าไปไม่เอามาเป็นอารมณ์อีกต่อไปแล้วบุรรมวคูก็คือพระพุทธเจ้าปรมาจารย์ก็คือพระพุทธเจ้าบิดาก็คือพระพุทธเจ้านี่ไม่ใครมาเป็นครูแทนพระพุทธเจ้าไม่ใครเป็นพ่อเราแทนพระพุทธเจ้า พ่อก็พ่อแต่ร่างกายเท่านั้นคนอื่นพ่อในทางจิตวิญญาณคือพระพุทธเจ้าเตรียมถวายการบูชาการปฏิบัติของเราถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาให้หมดชาระจิตวางจิตผลของการปฏิบัติเป็นอยังไงทำความพอใจทำความเข้าใจให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะออกจากสมาธิ ไม่ให้มีอารมณ์ค้างคาติดข้องอยู่ในใจเอาเราพอใจแล้วเราเพียรเต็มที่แล้วชัดเจนไม่ชัดเจนไม่เป็นไรแล้วเพ้อไปบ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างอ้าวไม่เป็นไรยอมได้ขนาดนี้พอใจวันหลังค่อยว่ากันใหม่โอกาสต่อไปค่อยว่ากันใหม่นี่เรียกว่าทําความพอใจในการปฏิบัติและจากนั้นก็ตั้งใจอุทิศบุญที่นี่วันนี้พอแค่นี้นะ ดูแลรับผิดชอบดีถึงเวลาปับป๊บปทําทำดีด้วยเนี่ยแสดงว่าจิตใจนี่มีกำลังมีความรับผิดชอบคนเราถ้ามีความรับผิดชอบแต่ละคนมีความรับผิดชอบในตัวเองเนี่ยโอ้ทำอะไรง่ายนะอยู่กันง่ายนะถ้าลองขาดความรับผิดชอบในตัวเองขาดวินัยในตัวเองยุ่งมันไ ม, ไม่ไม่เป็นภาระแกคนอื่นพูดแบบนี้เราเราขำตัวเองนะตอนนั้นก็อยู่วัดดอยเนี่ละ ก็ทําหน้าที่อุปถากจันแบนไปด้วยดูแลวัดไปด้วยทีนี้เมื่อวันนึงเย็นๆเราก็เห็นคุคปุสีเรืองเหลืองมันคว่ำคว่ำอยู่บนก้อนหินนะใจมือก็คิดว่าเออมีคนเอามาคว่ำไว้มันเห็นละล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บไปตื่นเช้าขึ้นมามันก็ยังวางอยู่สายๆมาก็ไปรับท่าจันแบนจากปุตติปุตติท่านก็อยู่แถวๆนั้นเดินออกมาหน้าตาท่านขมุงถึงนะ คูใครเอามาวางทางันปะไม่ทราบครับผมนะเราเราก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้วเพราะไม่ใช่เราเราไม่ไดเอามาวางไพเอามาวางไว้เก็บบุไดบ่อว่ววะเฮยเสร็จเราไม่กูัวจับกันนมาไม่ได้แล้วเห็นอะไรขวางตาไม่ได้เลยเก็บเรียบเลยไม่งั้นเดี๋ยวเข้าตัวเองไพเอามาวางไว้เก็บกับบุไดบ่อ ที่แรกนึกว่าเออไม่ไม่ทราบครับนึกว่าคนอื่นแล้วไปแล้วคนอื่นจะมาวางคนอื่นต้องเก็บที่ไหนได้ใครเอามาเอาเอามาวางเก็บบ่ใดบอกเก็บบ่เป็นบอกเออท่านนี้เอาเก็บเก็บไม่ได้บอไม่ใช่เก็บบ่เป็นบอก น, น, นี่มันนี่มันต้องรับผิดชอบเต็มเต็มแล้วอไม่ให้มองข้ามแต่ เ, เราจํานะาเข้าไปในจิตเลยนะโอไม่ได้แล้วต่อไปเห็นอะไรขวางหน้าไม่ได้อีกต่อไปแล้วใครมาวางไว้ก็ได้ฝึกจนเป็นนิสัยเอาที่นี้มาอยู่ตรงนี้เรามาอีกแบบหนึ่ง ฐานะเรามันมาแบบเนี้ยจะไปทําแบบนั้นก็ไม่ได้มันก็เลยไอๆตรงนี้มันเอามาสอนคนอื่นไม่ได้มันไม่ได้ถ้าหาว่ามีครูบาอาจารย์อีกคนนึงมาไอใหญ่อย่างนั้นเราจะทําให้ดูได้มีข้อวัดของครูบาอาจารย์มีการกระทําอะไรที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ตามฐานะแต่ฐานะของเราเป็นอย่างเนี้ยมันก็เลยเหมือนคนทําอะไรไม่เป็นนะแต่ถ้าลองไปที่อื่นเนี่ยนะถ้าในฐานะที่เป็นผู้น้อยอะไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนทันทีเลยนะ ท่าทางที่มันช้าๆอะไรเนิบๆไม่มีนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บของมันน่ะเนี่ยหมายว่ามันผ่านการฝึกฝนอบรมมามันมีอยู่ในจิตแต่มันไม่ถึงเวลามันก็ไม่ได้ทําไปเสแส้งมันก็ดูไม่เหมาะส ม, มนอกจากทำเพื่อสอนก็มีบ้างในการปฏิบัติมันต้องมุ่งเพื่อขัดเก่อจริงๆเนี่ยไม่ได้มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆไปเลยนะวินัยในตัวเองความรับผิดชอบในตัวเองฝึกฝนตัวเองแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองเรื่องของตัวเองทั้งนั้น ทีมก็วัดกันตรงนี้นะทีนี้ภายในภายในเนี่ยมันก้าวหน้าไม่ก้าวหน้ามันก็ต้องการแสดงออกเนี่ยมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกด้วยพฤติกรรมภายนอกเนี่ยมันก็มีส่วนเวลามีเหตุการณ์เวลามีสิ่งกระทบเวลามีโอกาสเนี่มันต้องดูตรงนั้นนะมีโอกาสเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยมันมีปฏิริยาควบคุมมันได้ไหมนุ่น มันวัดถ่าว่าเควบคุมมันได้มากขึ้นแต่ก่อนมันเคยแพ้มันอเราเคยเยอะเราไม่ทันมันแต่ตอนหลังทานมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือความเจริญก้าวหน้าไปในจิตแต่ก่อนเราหลงคนมันทําตามมันเดี๋ยวนี้ไม่ทําตามมันแล้วพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเอออย่างนี้ถูกต้องแล้วมันต้องมีการกระทําด้วยนะมีผลการปฏิบัติเกิดขึ้นเนี่ยปฏิเวทพยายามอดทน โอ้โหพรเจ้าเปรียบเทียบไม่ใช่เปรียบเทียบธรรมดานะเรื่องความเพียรเนี่ยท่านให้เห็นไอ้ความทุกข์ที่มันบีบคั้นไอ้ความทุกข์ที่มันที่เราต้องเรียนไ่ายตายเกิดเนี่ยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับไฟไหม้ศีรษะเลยนะต้องรีบดับท่านหวังนั่นเลยต้องรีบดับอคือความทุกข์เนี่ยมันมันมีอยู่ตลอดคือความทุกข์มันเผาใจเหมือนกับไฟที่มันไหม้ศีรษะแต่คนมีปัญญาต้องรีบดับไฟ ไม่ใช่ไปหลงทำอย่างอื่นนะปล่อยให้ไฟไหม้ศีรษะ <c oughs> บางทีท่านก็เปรียบเทียบถ้าหากว่ามีคนเอาหอกมาแทงแทงร่างกายตลอดคืนแต่ถ้าหาว่าตื่นเช้ามาแล้วจิตมันพ้นทุกข์ได้มันดับทุกข์ได้พ้นจากการวิ่นไหวใจเกิดได้ให้เอาหุกขนาดนั้นนะ คือไม่เห็นอย่างอะไรที่สําคัญเท่ากับไอความดับทุกข์ไปในจิตแล้วพูดง่ายง่ายเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างงี้นะก็คือท่านท่านเห็นแล้วอ่ะท่านรู้แล้วว่าที่มันจะหมดเรื่องที่จะหมดทุกข์หมดปัญหาทั้งหมดน่ะมันต้องตรงนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเนี่ยถ้าถึงตรงนี้ลราทุกข์ดับแน่นอนหมดเรื่องแน่หมดปัญหาแน่อะไรที่มันกุ้มลุมจิตอะไรที่มีความสําคัญต่อจิตจนมีอิทธิพลต่อจิตหมดความหมายเลย แต่ต้องถึงตรงนี้นี่แหละพระเจ้าจึงบอกว่าให้แลกเอาเอาทุกคนละ่ะที่ได้มาอยู่วัดเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยต้องมีบุญกันทั้งนั้นก็ต้องพยายามกันต่อไปอมันก็ต้องจะให้วันเดียวสองวันมันไม่ได้นะก็ค่อยๆปฏิบัติไปนิลาสร้างเหตุเรื่อยไปมันถูกให้มันต้องอดูสิพระ เ, เจ้าขณะชาติสุดท้ายทั้งหกปี 6ปีก็ไม่ใช่หกปีธรรมดาเพียรเต็มกำลังสติปัญญาเนะี่ยเอาชีวิตเข้าแลกเลยขนาดนั้นละเราก็เอาท่านมาเป็นแบบอยา่างแล้วก็ปฏิบัติกันไปอาวันนี้พอแค่นี้นะ ชาคีเลตสัมมาสัมพุทธสระสือรุ่กใโดยพระองค์เอง